สวยหยาดฟ้ามาดินงามจับตาไรรอยราคินต่อให้องค์อินยังเกิดลงต้องเธอคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเหลือจามรักรั ก, ร ก, เ, ธรกเธอรักเธอเพียงพลืนกินช่างเฉิดชมงามปะโลมใจ หญิงนางใดใดในลาสวยหนักหนาพุ่นงามงามจริงโอเปนฉันใจมันเหลือจาำรักรักเธอรักเธอเพียงกลื่นกินรักสุดปืนเพียงจะกลืน งามปากคิ้วขางอาองคซ่างโซกินใครได้เจอชมชิ้นคงดินด้วยฟังงาแมดอกฟาเดินดังดาราวับวามย่ำได้ใกล้ชมชายใจแทบจะไหวาตามเธองามเลื้อยจนใจเหลือจ้ามรับเรือคนงามเหมือนไปลาหัวใจช่างเฉิดโฉ ประโลมใจยิ่งนางในใดในลาสวยหนักหน้าคุณงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเลือจ้ำรักรักเธอรักเธอเพียงกลืนกินรักสุดคืนเพียงจะกลืน รในครองดวงใจยุ่คุนดังลึงได้สักสิน้นทั่วโลกมารวมกันคงสุขสมอิ่มเอมอารมณ์ทุกวันยามหลับคงฝันวานรักมันไม่ห่างเหมีแฟนที่สวยสวยรวยรวยรสเสน่ห์ลอมให้นอนเปลรรองเพลงขอหวานใจ ยังเฉิดโฉมงามปะโลมใจยญิงนางใดใดในล า, น า, ลาสวยหนักหนาคนงามงามจริงโอแฟนฉันใจมันเลือจ้ามรักรักเธอรักเธอเพียงกลื่นกินรักสุดพืนเพียงจะกลืน ดอกไม้ที่งามมิลายร้อยพันไม่เท่าแฟนของฉันงามเลิศ่าดใดน่งดอกว่าจากแดนดาราเส้นไกลาชายชาติทาง ล, งไลุไหลยามได้เจอหนว่นางงามจริงเจ้าสาวเอ้ยงามเอ้ยเลือจางทมเอ้ยสะอางของแม่นางชายไล่ช่างเฉิดชมงามประโล ยิ่งนางใดๆในลาสวยนักหคนงามความจริงโอ้แฟนฉันใจมันเหลือจามรักราด เ, เธอรักเธอเพียงตื่นกินรักสุดตื่นเพียงจะเคลือเธอกินในวันนี้นะคะเราจะมาฟังประวัติของนักร้องเพลงลูกทุ่งชายเสียงดี มีเลือดนักสู้จากเมืองน้ำเค็มมีความสามารถท่างการร้องเพลงและประพันธ์เพลงลูกทุง่งเป็นคนจังหวัดชนบุรีเอาเดาออกเดาออกไมมว่าเป็นใครเอาไม่ต้องเดานะคะคุณชาตรีศรีชนค่ะเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างสาวผักไห่สมัครรักสมัครแฟนและอื่นๆอีกมากนะคะคุณชาตรีศรีชนมีชื่อจริงว่าสมบุญลีเสง ที่เกิดที่บ้านนากระรอกตำบลทุ่งขวางอเอพนัสนิคมจัังหวดชนบุรีก้าวเข้าสู่วงการเพลงด้วยการเป็นนักร้องเพลงในวงรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองก่อนออกจากวงก็มาสมัครอยู่กับสุรพลสมบัติเจริญซึ่งตอนนั้นนะ่ะครูสุรพลเสียชีวิตแล้ว ก็มีสีนวลสมบัติเจริญเป็นหัวหน้าวงโดย เ, เขาได้แต่งเพลงแล้วก็ช่วยเคาะจังหวะการร้องเพลงให้สีนวลซึ่งช่วงแรกๆอะ่ะคือเพลงรักหน่อยนะจนสีนวลนมีชื่อเสียงและพอหลังจากนั้นออกจากวงสมบัติเจริญก็มาตั้งวงของตัวเองแต่ทาวงแค่ปีเดียวก็ต้องรีบยุบวงเพราะอะไรรู้ไหคะคุณชาติสีชนมีปัญหาโดน จับคอหาหนีทหารพอออกจากคุกมาก็ตั้งวงใหม่แล้วก็ไปเกิดด้วยเพลงไปเอาเล่ามาจากงานประพันธ์เพลงของตัวเองแล้ววเลิกวงแล้วก็ร้องเพลงตามห้องอาหารรับเชิญบางโอกาสชาติสีชนเนี่ยบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกคือเพลงบัวหลวงซึ่งเขาได้แต่งไว้ก่อนเข้าวงการ ส่วนผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงมากมายเช่นช้ารักจากเมืองชนสาวผักไห่สมัครรักสมัครแฟนวอนแฟนเพลงโฉมนางมเมาเหล้าเมารักรอมีไหลสาวอัปเเช่ซึ่งเขาเป็นนักร้องอัจฉริยะนะคะเพราะว่าวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยแต่งเพลงได้เป็นสิบเพลงโดยถ้าเกิดได้ร่ําสุราด้วยแล้วเขาบอกสมองนี่เล่น เขียนเพลงได้อัทรนะ์สนักเพลงที่เขาประพันธ์ไว้มีอยู่ประมาณสอง้อเพลงแต่เพลงที่ไม่เคยได้บันทึกแผ่นเสียงอีกประมาณร้อยเพลงนะคะชีวิตครอบครัวก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอยู่เพลงหนึ่งเขาบอกว่าช้ำรักจากเมืองชนเช่นบอกว่ามันจะมีส่วนหนึ่งของเพลงเขียนว่าพี่ยากจนจากชนบุรี ขอน้องปราณีสงสารพี่หน่อยแล้วทีนี้เขาก็สงสัยว่าคนชื่อปราณีตอนหลังก็คือชีวิตคู่ในเวลาต่อมานะคะช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยชาตรีศรีชนเนี่ยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยเพราะว่าดื่มสุรานหนักและก็ทานอายุอาน้ำก็ไม่ไหวะนะก็เสียชีวิตไปเมื่ออายุแค่40ปีเท่านั้นดื่มเหล้าเยอะ นะคะแล้วมีเกล็ดเล็กเก็ดน้อยคือบางช่วงเนี่ยอันนี้ไปเกลดเล็กเก็ดน้อยจากคุณเจนพบจบกระ บ, บวนวันนะก็คเคยเล่าๆกันบอกว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณชาตรีศรีชนไปร้องเพลงที่อยุธยาแล้วมีการพยุงปีกสองข้างของของชาตรีศรีชนออกมาร้องแล้วก็ร้องไปพอะเมาข้างล่างก็ระแซสบอกเฮยเมาซะและ้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาว่าร้ายอะไรแต่ว่าเหมือนกับว่า ให้รู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักการร้องเพลงแล้วก็เสียงภยัเราะละกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังเพลงของคุณชาตรีศรีชนคือสมัครรักสมัครแฟนกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอย่าลืมติดตามเพจแล้วก็ line tell you all นะคะอยากจะมาขอเพลงขออะไรขอได้นะคะมาพูดคุยกับ DJM ก็โทรมาที่คอ l l เซ็นเตอร์นะคะ Thank <laughs> you. คนได้ไหมเอาไว้ใช้ก็ได้คนดีคุณสวยเกินไปเห็นมีชายมายปองกลัวตกกระปองเธอไม่มองมาสักทีเจอกันที่ไรคุณยังอายนายนี้หรือตัดไม่ตรี ผมนี้เสนอยิ้มไปคุณเอ๋ยสงสัยไม่เคยมีแฟนเนื้อหอมคุณคงห่วงแหนเงินแสนคุณคงไม่ขาผมขอสมัครคู้รักพักดีจนตายขอยอมเป็นข้าเคียงกายแลกใจของคุณมาครอง สวยเกินไปเห็นมีชายไม้ปองกลัวตกกระปองเธอไม่มองมาจากทีเจอกันที่ไรคุณยังไงยนายนี้หรือตัดไม่ตรีที่ผมนี้เสนอยิ้มไปคุณเอ๋ แหเงินแส น, นคุณคงไม่ขายผมขอสมัครผู้รักพักดีจนตายขอยอมเป็นข้าเที่ยงกายแลกใจของคุณมาครอง เรื่องที่จะพูดในวันนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องเส้นอย่างไรนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุมาแข้งขาหักหรือประสบอุบัติเหตุน ะ, ะตกจากรถมอเตอร์ไซค์มัง่งนะคะรถยนต์ชนกันบ้างสุดท้ายเนี่ยขาพิการเลยเดินแล้วไม่ปกตินะคะถามว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดได้อย่างไร ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ถูกรถชนนะคะถ้าถูกรถชนกระแทกบริเวณช่วงกลางหลังนะคะซึ่งมันเป็นจุดรวมของเส้นก็จะทำให้บริเวณช่วงล่างหรือด้านบนเนี่ยอาการเส้นมันจะเล่นไปได้นะคะหรือบางคนเนี่ยถูกชนเข้าบริเวณที่เข่านะคะคือขาหักบริเวณใกล้ๆเขา่าเส้นพังผืดมันจะไปเกาะยึดบริเวณใต้ข้อผาบของเขา่าก็ทาให้เส้นมีปัญหานะคะ ซึ่งถ้าหากมีปัญหาแบบนี้เนี่ยต้องแยกออกเป็นสองอาการค่ะอาการแรกถ้าเกิดจากการที่กระดูกแตกร้าวมีปัญหาเนี่ยขอแนะนำนะคะให้ไปหาคุณหมอกระดูกนะคะเพื่อให้คุณหมอช่วยดูและะจัดกระดูกเข้าให้ใหม่แต่ถ้าเกิดเป็นปัญหาเรื่องเส้นพังผืดมันยืดเกาะนะคะมีปัญหาขอแนะนำค่ะชุดผลิตภัณฑ์คลายเส้นของมูลไบรท์ช่วยทันได้นะคะ โดยชุดผลิตภัณฑ์ของมูลไบรท์นะคะนะคะจะประกอบไปด้วย 1. น, นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคลายเส้ น, นะคะ่ะซึ่งสกัดมาจากสมุนไพรที่เรื่องของเส้นเอ็นนะคะนับ10ชนิดแล้วก็ปราศจากสารหนูสารสเตียรอยนะคะสารกระตุ้นอื่นๆไม่มีนะคะทำให้มั่นใจได้ว่าปลอดภยัยแล้วก็ชุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารล้างสารพิษพังผืดและหินปูนที่เกาะตามเส้นนะคะก็ปลอดภัยเช่นเดียวกัน แล้วก็น้ํามันคลายเส้นสูตรน้ํามันมะพร้าวนะคะซึ่งทำให้ท่านเนี่ยค่ะช่วยเหนือนเหมือนกับมีหมอนวดมานวดเส้นท่านยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ซึมลงผิวได้ภายใน5นาทีมีสัพพคุณทั้งร้อนช่วยคลายกล้ามเนื้อเย็นช่วยบํารุงเส้นเอ็นนะคะเคยมีเคสตัวอย่างนะคะที่เป็นคุณป้าท่านหนึงโดนรถชนค่ะมา2ปีที่แล้วนะคะตอนหลังเนี่ยคุณป้าเดินขาเนี่ยกวาดพื้นถนนเลย คุณป้าท่านนั้นคือคุณป้าวิวาตรีจูนะคะอยู่ที่บ้านตะเขียนเลื่อนใกล้ๆอำเภอโอกระพนี่ยนะคะคุณป้าท่านนั้นเนี่ยค่ะคือรถชนขากวาดพื้นถนนทุกครั้งที่คุณป้าเดินเนี่ยบอกเลยเสียวหัวเขาว่าแวบแวบทำยังไงก็ไม่หายค่ะจึงลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ของมูลไบร์นะคะสั่งเป็นชุดทานได้ชุดเต็มเดือนเลยนะคะพอคุณป้าทานชุดเต็มเดือนได้เข้าชุดที่2ค่ะ ปรากฏว่าอาการที่เสียวหัวเข่าอะไรเนี่ยหายไปค่ะและสุดท้ายคุณป้าก็เลยเดินได้ดีขึ้นนะคะและในที่สุดค่ะคุณป้าก็ก็หายนะคะจากอาการเสียวหัวเขา่าแม้จะเดินกวาดพื้นเล็กๆ ก, กน้อยๆยนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วเดินดีขึ้นมากค่ะคุณป้าจึงขอบคุณนะคะมาทางมุนไบรค่ะหากท่านใดนะคะมีญาติผู้ใหญ่ เป็นปัญหาชามือชาเท้าสะบักจมไมเกรนตะคิวนิ้วล็อกลองโทรมาเข้ามาสอบถามของผลิตภัณฑ์ n b r ไ g h t นะคะแต่ละตัวเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นรวมเป็นชุดเนี่ยพันนิดนิดเองนะคะโทรเข้ามาสอบถามค่ะได้ที่เบอร์0813946977 0813946977 อาอะขับรถอยู่หรือเปล่าคะว่าแต่เมื่อยขาปวดหลังหรือเปล่านั้นแน่ระวังจะชาเท้านะจ้าหากอยู่ท่าเดิมนานๆจนเมื่อยขาปวดหลังชามือชาเท้าหัวเข่าดังกรบ๊บกรบับไมเกรนขึ้นหัว กระดูกทับเซนอย่าลืมชุดน้ำมันมูลไบร์ ย, ยำชุดน้ำมันมูลไบร์ช่วยท่านได้ส่งของเก็บเงินหน้าบ้านฟรีสนใจติดต่อ0 8 1 3 9 4 6ดห7ึส้าำ0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสเจด <Dead. S 2> เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณเหรียญพลอยระยะกันนะคะซึ่ง อ, อาการของคุณเหรียญก่อนหน้านี้นะคะมีอาการปวดตั้งแต่ต้นขาลงขาซ้ายนะคะแล้วก็ตึงแล้วก็เดินไม่ค่อยสะดวกเป็นอย่างนี้มาสองปีเดี๋ยวเรามาฟังคุณเหรียญกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเหรียญคะ่ะ ครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณเหรียญแนะนําชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะครับผมชื่อเหรียญพลอยระยะครับอยู่หมู่หนึ่งวังน้ํารัดครับทางเพื่อไผ่สาลีจังหวัดนพรสวรรค์ครับค่ะหมู่หนึ่งวังน้ํารัดไผ่สาลีนครสวรรค์นะคะครับผมคุณเหรียญคะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้หกสิบสามแล้วครับหกสิบสามนะคะอาการเส้น ที่เป็นมาเนี่ยเป็นอะไรมาบ้างคะก็มันปวดก็ไปหาหมอที่คลินิกเขาบอกว่าค่ะกระดูกรับเส้นแล้วเขาบอกว่าผ่าสถานเดียววันนี้ผมโอ้ <c oughs> ผมบอก <c oughs> ผ่าเนี่ยมันจะหายแล้วก็ผม <c oughs> ไม่ค่อยยากล้าไปผ่า <c oughs> ก็เลย พอดีได้เปิดวิทยุได้ฟังได้มันเข้าท่าดีอือดเลยตัดสินใจซื้อกับมาสองชิดแล้วครับถามนิดนึงค่ะอาการที่คุณหมอเขาวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกทับเส้นน่ะน้าเหรียญน่ะอาการเป็นยังไงบ้างมันปวดตรงไหนปวดปวดที่สะโพกนะครับปวดที่สะโพกแล้วมันชาลงไปถึงถึงเท้าอ่ะ Hmm. ้าแบบว่าเดินเดินเนี่ยมันก็เดินได้แต่เดินไปประมาณเก้าวาสิบวานี่ก็ต้องหยุดแะหยุดข้ามันก็หายปวดแต่เอเริ่มเดินดก็ปวดอีกครับคือเดินเดินหยุดหยุดคือเดินก็ปวดหยุดเดินก็ไม่ปวดครับเป็นอย่างนี้มากี่ปีคะสองปีแล้วครับสองปี เห็นบอกว่ารักษาหาหมอดียาดีมาทั่วเลยเหรอคะครับทุกแทบทุกหมอแล้วครับหมดเงินไปเยอะไหมคะเนี่ยโอ้หมดหลายเหมือนกันเท่เากักสองพันสามพันหาหมอคลินิกครับคือเรียกว่าไปหาทั่วไม่เบาครับแล้วพอมาใช้มูลไบรท์เนี่ยใช้ไปสองชุด นะคะคแล้วเป็นยังไงคะอาการหลังจากใช้ไปแล้วสองชุดตอนนี้เดินคล่องแล้วครับไม่ปวดแล้วเดินคล่องเลยรับว่าอ่าดีดีดีดมากๆเลยครับค่ะแล้วนะ้าเหรียญเอ่อที่บอกว่าเดินคล่องไม่ปวดแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลายืดเหยียดขายังยังมีปวดบ้างเน็กเล็กๆน้อยๆไหมหรือไม่มีเลยละหายหายขาดเลย โอ้ยว่านะทิน ไ, ได้ค่อเดินได้คล่องเลยครับไม่ปวดไม่ได้หยุดอีกแล้วเดินเดินได้ตลอดแล้วครับน้าเหรียนมองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบาราคาแพงไหมไม่ไม่แพงนะครับผมว่าไม่แพงกต่ผมเคยสั่งยาซื้อยาหาหมอมันแพงกว่านั้นอีกเยอะครับอืมเนาะ คอวคุ้มนะคะทางรายการมุมไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณนเหรียญพรอยดายาเป็นอย่างมากนะคะที่อยู่วังน้ํารัดไพลสารีนครสวรรค์ น, นะคะที่ได้มาบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองประสบพบเจอขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่า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 เพียงท่านสั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไบรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าทําไมบางท่านนเดินหลังงอน ะ, คะเคยเห็นไมเขาคะ่ะคนแก่บางคนเนี่ยเดินหลังโกงนะหลังนี่เงยไม่ขึ้นเลยนะเดินก้มหน้าหลังงอค้อมลงไปท้างหน้าสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยเดินหลังงอแล้วเงยไม่ขึ้นโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยมักจะหลังงอน ะ, ะเดินค้อม อันนั้นสาเหตุหลักเกิดจากเส้นหลังจมนะคะคือดิฉันจะบอกสักนิดนึงนะคะว่าเส้นหลังกับเส้นท้องเนี่ยมันโยงใยถึงกันนะคะถ้าหากว่าเส้นหลังจมมากๆเนี่ยก็จะไปดึงให้เส้นท้องจมด้วยนะคะเมื่อเส้นท้องจมนานวันเข้าก็จะทําให้หลังเนี่ยง้อมแล้วก็หลังงอลงไปนะแล้วก็เดินค้อม บางคนนี่เดินเงยไม่ขึ้นเลยเดินงอตลอดเวลานั่นแหละคือเส้นหน้าท้องกับเส้นหลังจะจมมากๆเลยน ะ, ะแล้วก็ท่านรู้ไหมคะว่าการที่เส้นท้องจมมากๆกเนี่ยก็จะทําให้เป็นโรคท้องผูกด้วยนะคะอาการโรคท้องผูกเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยมันมีสองสาเหตุนะคะสาเหตุหลักก็คือเกิดจากกินยาระบายท้องบ่อยๆเนี่ย การที่รับประทานยาระบายท้องบ่อยๆเนี่ยทำให้ลำไส้เนี่ยเคยตัวนะคะจะต้องได้รับการกระตุ้นจากยาระบายท้องอยู่เป็นประจำจึงทำให้เป็นโรคท้องผูกนะคะเพราะลำไส้มันเคยซะแล้วนะคะแต่อีกประการหนึ่งอ่าไม่ได้กินยาอ่าระบายท้องแต่เส้นท้องจมนะคะเส้นท้องเนี่ยถ้ามีปัญหาจมมากๆเนี่ยมันก็จะไปดึง ทำให้ลำไส้เนี่ยไม่เคลื่อนไหวตัวนะคะเมื่อนานวันเข้าท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกนะคะถ้าเส้นท้องจมมากๆเนี่ยก็จะมีปัญหาทําให้รับประทานอาหารไม่ค่อยได้นะคะเบื่ออาหารก็เห็นแม่บางคนเนี่ยเส้นหลังจมมากเลยนะคะแล้วก็เส้นท้องจมด้วยเนี่ยก็มักจะผอมนะคะผอมแห้งแรงน้อยเพราะเพราะอ่าเพราะว่าเส้นท้องเนี่ยพอจมมากเนี่ยมันก็จะไป ทําให้กระเพาะอาหารนหดตัวเล็กลงนะคะจึงเบื่ออาหารรับประทานไม่ได้เลยนะคะก็จะผอมแห้งแรงน้อยนะคะแล้วก็เดินหลังหอนะคะหลังค้อมไปข้างหน้านั่นคือเส้นท้องจมหมดแล้วน ะ, ะแล้วก็เส้นหลังจมมากๆเลยนะคะวิธีแก้นะคะก็ให้ซื้อน้ำมันแก้ปวดเมื่อยมูลใบไปทาที่เส้นท้องและเส้นหลังนะคะแล้วก็รับประทานอาหารเสริมแก้เส้นของมูลใบร่วมกับยาล้างห็นปูน ก็หายได้นะคะดิฉันมีคนแก่ร้ายลายนะคะที่เดินหลังงองุ้มเลยน ะ, ะคะคล้อมไปข้างหน้านะคะพอรับประทานอาหารเสริมแค่เส้นของมูลใบรับประทานยาล้างหินปูลและทานน้ำมันมูลใบร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะๆก็ให้ทาบ่อยๆนะคะหลังก็เงยขึ้นได้นะคะแล้วก็สามารถเดินตรงได้เหมือนเดิมนะคะหากท่านใดมีปัญหาหลังงองุ้มนะลองสมัสั่งซื้อดูนะคะได้ที่เบอร์ศูนหนึ่ง 3946977สหหรือ0885453515หสห้าสาหหนึ่งหทวนเบอร์นะคะ0885453515หหสาหหนึ่งหทนปวดอยู่ทําไม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 ขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงมูนไรท์สัญจรบอกเล่า90ความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูนไรท์ค่ะวันนี้นะคะทางรายการมูลไรท์ของเราได้อยู่กับคุณฟองนวลโพพันธ์ซึ่งอยู่จังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอไผ่สารีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟองนวลค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณฟองนวลแนะนำชื่อนำสกุลแล้วก็ที่อยู่ค่ะ อ๋อชื่อคุณฟองนวลนางตระกุลโพพันบ้านเลขที่แปดหกหมู่สองอำเภอพัชรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะคุณฟองนวลคะก่อนที่จะมารู้จักกับมูนไบรท์คุณฟองนวลเป็นอะไรมาคะอ๋อฟังรายการวิุเป็นกระดกสะเต้นค่ะก็ะเลยรู้จักก็เลยสั่งมาทาแล้วก็ทานด้วยแล้วก็ที่อาการบวมปวด ที่เป็นกระดุกคับเต้นมาประมาณยี่สิบปีทรมานมาก ท, ทีนี้มันก็ดีขึ้นหายปวดใช้ไปแค่สองกระปุกเองน้ำมันขึ้นขวดรู้รู้สึกว่าดีขึ้นเลยก็เลยแนะนำเขาใช้กันหลายคนแล้วเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นคุณฟองนวลของคุณฟองนวลนี่ดีแล้วได้ย่าเผ า, าทานทานํากุนนั่งก็เพียบได้สบายแล้วก็แวนที่เป็นเกล็ดเลือต่ำก็ดีขึ้น ก็น่าจะหายนะแต่มันก็ดีกว่าไม่ทานน่ะน่าะจะหายแล้วละ่ะเลือดอักเลือดฟันที่สโทรมาใหม่นี่เลือดออกเลือดฟันก็หายแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นทำงานก็ไม่เหนื่อย ค, ความดันที่บาังวลก็ปกติแล้วปกติจะเป็นความดันมากเลยสองร้อยสามสิบทีนี้ก็มาฟังรายการของดีเจมูนไบเนี่ยเอ้มันเข้าข่ายมันจะดีนะเนี่ย <c oughs> ไปฉีดยาเข็มแล้วพันห้าก็ฉีดก็ไม่หายไม่รู้จะ ว, ว่าไงหมดฤิ์ยาก็เป็นอีกค่ะ <c oughs> ประธานมูนใบโอ้โหเทวดามาโปรดแล้ว <c oughs> <c oughs> ดีจริงจริงไม่ได้โกหกใครละถ้าอยากหายก็ลองดูเพราะว่าคนวังนวนนี่ทรมานมายี่สิบ ป, ปีแล้วเนี่ยค่ะ <c oughs> ขอแทใ้ในในในในชีวิตไม่อยากอยู่แล้ะน้ำตาล่วงเลย มันเดินก็แบบไว้นางกระดองก็แป้งถังสีเป็นนางดำลายตักป่ามันนะ่ะค่ะที่นี่สบายแล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะฮะ<า>ค่ะคุณฟองนวลคะถามนิดนึงว่าทานไปกี่วันนะที่เริ่มรู้สึกว่าของมูลไบรท์มันดีขึ้นนะคะทําให้มันเป็นเยอะประมาณประมาณกระปุกนึงกระปุกที่สองก็เริ่มดีละ ที่อาการขาบวมบวมอะมันมันแห้งมันหายไปเลยอะดุกแคปเต้นอะนะค่ะทีนี้มันแห้งมันหายไปเดินมันก็สบายไม่ขัดไม่ยอกลกก็คองแค่ค่ะก็ประมาณสักสองอาทิตย์กว่าๆนะคะที่เริ่มรู้สึกว่าดีนะคะค่ะค่ะค่ะที่บวมก็หายด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วความดันก็ค่ะปกติไม่ปวดหัว ค่ะแต่ก่อนยังไม่กินนะปวดหัวความดันขึ้นอพอกินแล้วน่าจะรักษาความดันด้วยนะช่วยดูแลความดัด<า> น, นด้วยโอโ้โหดีมากเลยแล้วคุณฟองนวลมองว่าของมูลไบรท์เนี่ยราคาค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากที่ใช้มาแล้วที่เราอยู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่เนี่ยราคานี้ไม่แพงเลยเพรา ะ, ะว่าเงินเราหาได้ ชีวิตเราที่เจ็บปวดเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้ตัดสยงใจซื้อทานเือทาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราก็หาได้ไปไหนเข้บสังคมได้ไปวัดไปวาไปธุรกิจอะไรก็ได้ค่ะถ้าเราไม่ใช้ไม่ทานนะไม่ทานนะเราจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าบันทอนชีวิตไปหมดอืมค่ะเพราะว่าถ้าทานเราดีเหมือนให้ชีวิตใหม่กับคนฟองนวลเน่ย เลียงลูกเลี้ยงหลานหน้าตาแจ่มใสผยวพรรดีขึ้นอ๋อค่ะค่ะยังทางรายการมูลไบรก็ต้องขอขอบคุณคุณฟองนวลเป็นอย่างมากนะคะที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์ดีๆปแนะนำเข้าไปหลายคนละค่ะเขาก็คอยดูคุณฟองนวลอยู่ค่ะเพราะว่าคนบังนวลนี้ยการหนักหมอเ็าต่างผ่าตัดด่วนค่ะสุดท้ายก็ไม่ต้องผ่าตัดแล้วเนาะไม่ผ่าแล้วค่ะตอนนี้อายุห้าสามแล้วขาัน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 ขณะนี้ที่ฉันอยู่ในช่วงมูลไบสัญจรบอกเล่า90ความประทับใจผลิตภัณฑ์มูลไบนะคะอยู่ที่บ้านของคุณนะ้าทองมาหนองคายนะคะอยู่ที่ตําบลตะเคาะหมู่12น ะ, ะเดี๋ยวจะให้คุณนะ้าทองมาหนองคายเนี่ยช่วยแนะนําชื่อนำสกุลอายุน ะ, ะบ้านเลขที่และอาการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะคุณนะ้าทองมาช่วยแนะนําชื่อหนะะ่อยค่ะสวัสดีค่ะทองมาหนองคายค่ะ ปัจจุบันอายุ66ค่ะอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่คะอยู่บ้านเล็กที่218ทั3หมู่12ตำบลตะคลอค่ะอําเภอค่ะอําเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอาการก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นอะไรอยู่คะเป็นปวดหัวเขา่าปวดขาแล้วก็เหยียดไม่ได้เลยค่ะอ่างอขาไม่ได้ใช่ไหมงอขาไม่ได้เลยค่ะ เราเห็นว่านั่งยอง ๆ, ๆนั่งประเพียบก็ไม่ได้ลหรอใชจ้ะไม่ได้จ้ะอ๋อนั่งประเพียบนั่งยองๆก็ไม่ได้นะคะเป็นมานานแค่ไหนละคะเป็น3เดือนกว่าๆค่ะ3มเดือนกว่า <3 S 2> ๆ, ๆนะค ะ, ะหลังจากที่ใช้ อานเสริมแก้เส้นทานน้ามันแก้ปวดเมื่อยมูลใบแล้วกี่วันคะถึงรู้เริ่มรู้ว่าดีนะคะก็ประมาณสิบวันคะ่ะสิบวันนี้เริ่ม<อ>รู้ค่ะตอนพอสิบวันนี้จะรู้ว่าดีครั้งแรกจะปวดมากการทานเข้าไปค่ะพรมันดึงเส้นนะคะพอหลังจากสิบวันไปแล้วเนี่ยทานต่อเนื่องปัจจุบันนี้ทานมาสิบแปดวันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสิบแปดวันคะ่ะพอผ่านมาสิบแปดวันนี้ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างคะอาการดีแล้วค่ะเดินก็ได้ดีค่ะ แล้วนั่งงอขาได้แล้วยังคะพะเพียบงอขาได้ทุกอย่าง ค, ะค่ะนั่งยอง ong, ยองได้นั่งยองยองได้ล้ยังคะได้ค่ะนั่งยองยองก็ได้ค่ะอ๋อได้แล้วะะ น, ะลนะคะก็คือสรุปแล้วเนี่ยพอใช้ประหารมา18วันเนี่ย สามารถนั่งพับเพียบนั่งยองๆได้งอขาได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นเห็นว่านั่งเหยียดขาตลอดใช่ไหมคะใช่ทานข้าวก็ต้องเหยียดเท้าเหยียดขาอ๋อสมัยก่อนก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะตอนนั้นนะตอนที่เป็นอยู่ค่ะเหยียดขามาต่อเหยียดค่ะชินข้าวทําอะไรต้องเหยียดขาทั้งนั้นเลยค่ะเพียงผ่านมา18วันตอนนี้งอขาได้แล้วแล้วก็นั่งยองๆก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้ใช่ไหมคะก็เลยมีความประทับใจจึงบอกเล่า90้าสิบ ความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไบ้กับท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวจะให้คุณน้าทองมาฝากข้อคิดกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มูลไบ้หน่อยนะคะก็ถ้าถ้าเป็นอาการอย่างเงี้ยก็ใช้แล้วดีมากเลยละค่ะเขาจะจะเบาตัวเลยค่ะตอนแรกปวดกั็คือกินสามวันแรกนี่จะปวดมากพอวันที่สี่ที่หจะค่อยยังชั่วเรื่อยๆพอมาถึงวันที่สิบก็รู้สึกว่าเบาเดินได้ดีค่ะค่ะนนก็ มีอะไรจะฝากอีกไหมค ะ, ะกับท่านผู้ฟังก็อยากจะฝากถ้าใครเป็นก็ให้ใช้มูลไบสนี่แลวคะ่ะจะดีมากเลยะคะ่ะก็ขอขอบคุณคุณนะทองมาหนองขายมากเลยนะคะที่บอกเล่า90้าสิบ ในความประทับใจในผลิตภัณฑ์มูลไปนะคะหากท่านใดมีปัญหาเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะคิวนิ้วล็อกกระดูกทับเส้นปวดหัวเข่าปวดตามข้อตามกระดูกเนื่องจากเป็นเก้าหรือรูมาตอยหรือว่าปวดหัวไมเกรนเอามาพึกเอามาพาดนะคะลองมาสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์น้ำมันแก้ปวดเมื่อยมุนใบและอาหารเสริมแก้เส้นมุนใบแล้เหมือนอย่างคุณนะ้าทองมาบ้างนะคะช่วยรักษาเส้นของท่านให้หายหลายคนแล้วนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะลองสั่งซื้อดูนะคะได้ที่เบอร์0 8 1ย์4 6ดหนึ่งสี่หเก้าเจ็ดเจ็ดนะทวนเบอร์ค่ะ0 8 1 3 9 4 6ดหนึ่งสี่หเก้าเจ็ดเจดหรือ0 8 8ย์5ปด1 5ดห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าย์ปดดห้าสี่ห้าสาห้าหนึ่งหหากท่านใดจดเบอร์ไม่ทันนะคะ ให้เตรียมกระดาษปากกานะคะแล้วฟัง ผ, ผู้ที่หายจากผลิตภัณฑ์มูลไบในช่วงต่อไปแล้วจดเบอร์ทีหลังก็จะจดได้ทันนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับคุณนาทองมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คนปวดอยู่ทำไมต้องจ่ายเท่าไรถึงจะพอจะดีกว่าไหมถ้าหายปวดเบาตัวในชุดแรกที่ใชยถ้าใช่ชุดน้ำมันมูลไรคือคำตอบสอบถามได้ที่เบอร์0813946977สจํยำา08139ส6เจ เดี๋ยวเรามาฟังตัวจริงเสียงจริงของคุณสำรวงพับปันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะค่ ะ, คะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณป้าแนะนำชื่อนำสกุลและที่อยู่ค่ะป้าชื่อป้าสำรวงพับปันอยู่อุดมธัญญาค่มหมู่ที อําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ ะ, คะตำบลอุดมทัญญาอำเภอตากฟ้านครสวรรค์นะคะค่ะค่ะคุณป้าก่อนที่จะมารู้จักกับมูลไร์เนี่ยป้าเป็นอะไรมาจ๊ะป้าเป็นโรคหัวใจถ้าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ป้าปวดขาด้วยปวดที่ขาเพราเข่าค่ะค่ะเจ็บเนื้อตัวค่ะป้าเป็นมากี่ปีฮะป้าก็เป็นนานแล้วค่ะ หลายี่เขาเป็นนานแล้วนี่ป้าฟังเลยป้ากับลองซื้อมูลมูลไบมากินดูค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างาคะป้าก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแต่กับป้ายังคิดไม่นานนะคะอรู้สึกว่าอาการดีขึ้นก็เบาขึ้นค่ะยังไม่หมดเนี่ยที่บอกว่าอาการเบาดีขึ้นนะ่ะตรงไหนบ้างที่มันเริ่มดีขึ้นป้าก็รู้สึกว่าหายใจโล่งๆดีนะค่ะ ป้าป้าเป็นโรคไพลลอยด้วยปวดรู้สึกหายใจโล่งเข่าก็เบาข้าเบาขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่หายขาดนะเบาขึ้นดีขึ้นแล้วล่ะอ่าข่าเบาปวดหายใจโล่งขึ้นแล้วาลอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นอืมวปวดเมื่อยตามเนื้อตัวดีขึ้นแล้วคุณป้ า, ามองว่าผลิตภัณฑ์มูลไบอะคะ่ะราคามันเป็นยังไงบ้างเที่ยวกับที่เราดีขึ้นนะ ค่ะไม่ก็ไม่แพงเกินไปถ้าพอได้ค่ะซื้อได้สําหรับเราที่เราเจ็บปวดไหมคะค่ะเราจะทนเจ็บปวดทำไมถ้าเราก็ใช้ได้นี่ถ้าใช้มูนไบรท์ค่ะเนี่ยปากก็รู้สึกว่าดีขึ้นอะไรขึ้นที่ว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวแล้วเห็นบอกว่าเป็นโรคหัวใจด้วยค่ะเป็นโหัวใจด้วยเป็นหลายโรคเนาะแล้วก็ชีบชามือชาเท้าเป็นบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะ พลานอยกลางคืนเนี้ยเป็นรู้สึกบางบางวันเนี้ยเป็นรู้สึกที่สองนิ้วจมตรงช่วงริมสองนิ้วก้อยสิตมานิ้วนานจะรู้สึกบางทีเนี้ยแข็งเลยค่ะป้ากํา บ, บีดนวด น, นี่ป้ากินกระป้างก็รู้สึกโอ้โหเบาเลยค่ะเนี่ยเบาตั้งแต่ชุดแรกที่ใช้เลยนะคะค่ะค่ ะ, คะอ่าแล้วคุณป้ามีอะไรจะฝากบอกกับคนฟังไหมบางคนเนี่ยเขากลัวว่าไอ้ที่สัมภาษณ์กันอยู่อ่ะไม่ได้กินจริงๆหรอก เขาไม่ไม่หลอกละค่ะเขาไม่หลอกละค่ะลองดูนะคะใครเป็นอย่างป้าเนี่ยลองชินดูค่ะแล้วทามามากกันนี่ค่ะชีวิตของเรานะชีวิตของเราเราควรจะซื้อยามาทานค่ะเราก็ทําไปแล้วตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เงมือนทองเนี่ยเราควรจะดูแลตัวเราเองนี่เพื่อนบ้านเขาเห็นที่ปาดีเพื่อนบ้านเขาก็ใช้ป้าสั่งม่อีกเนี่ยถ้าเอาสั่งมาให้ป้าแต่เช้าไปเจี่ยวเคี่ยให้โถโถป้ากระโทไปเนี่ยค่ะ แสดงว่าคือเห็นป้าทานแล้วเห็นผลดีขึ้นเลยให้ป้าคสั่งให้ค่ะค่ะทาั้งรายการมูลไร้์ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าสำรวงพลับปันเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณป้าค่ะค่ะหากท่านใดอยากป้องกันบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวเขา่าตะคริวนิ้วล็อกชามือชาเท้า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 ฟรีย้ำสั่งชุดน้ำมันมูลไรท์ชุดใหญ่รับของแถมฟรีชุดใหญ่เท่านั้นที่มีของแถม ไม่ามันอร่อยถึงใจเอาพริกเจ้าหั่นล้เอามาดันเอาเสียชักชวนแม่สมลิ้มละผัดกันกิมแบ่งกันใช่สิ้นเดือนมันสิ้นใจเงินก็หมดสิ้นไปละใช่นี่ไม่พอโอ้ยกลุ่มเจเดต้องดูลิเกละแก่บนจกต้องอดตัวหนังสามสิ้าเมองต้องแป๊โอยละโอ้ยเป็นอย่างก่อนแซมป์ปอร์ซูมอละโอ้ยรอวัน ปีนปีนให้รอดตัวละคายฝ่ายคายหัวละลายตัวเละละอังเพราะอยากเป็นนักร้องยืมเงินพี่เงินน้องจะนำเจ้าน้องมามังเพื่อดวงดีวังจะมีทางดังอยากได้เมียละไม่ต้องเสียสตังแต่ผลลับตัวตังต้องกลับมานั่งเลี้ยงความ กทางทิ้งน้ อ, นอยกะปิดใส่น้อยเชื่มันอร่อยถึงใจเอาบิ๊กเด้าหันแล้วเอามาดันมาเจิมชักชวนแม่สมริมเราานกันจิม้มแบ่งกันชยัยชอบเสียงของไก่เหมือนเสียงผู้หญิงได้ชอบแม่สีพอ้อ อยสุรพลเขาตายสีนวลเป็นมาอย่างนั่นได้เป็นกองคนณย่งฉันมันก็อลังช่ายิบยืมเหมือนพ่อขอไปเป็นนักร้องอกลับมาบ้านอุ่นตอนองไม่ร้องเพลงรัง <c oughs> สินเดือนมันสิน้นปีลูกกระดกสิ้นดิบพัว ก, ก็มีเมีย น, อน้อยโอ้ยยิ่งน้ำฝน ตอง ท, ท, ทนทนทนตะเคงับจนมอยนาเดินตายพวกก็ได้แม่ใบนางานานานาสะเบย์ขึ้นหน่อยวงดนตรีเป็นร้อยไม่ลังก็มอยก็รอกไปจิเริดจ้าคุณพอ่อผายอกทิ้งนักระทังทิ้งน้งนอยกระปิดใส่หน่อยจชมันอร่อยถึงใจเอาบิกเจ้าหั่แล้วเอามาดันมาเจียมชักชวนแม่สมลิมผลัดกันจิมแบ่งกันใช้